ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะได้กล่าวธรรมะในเรื่องชาดกซึ่งรู้สึกว่าเป็นธรรมะพื้นฐานของสังคมเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงสแสดงใน แ, แนวที่มีนิทานบุคคลเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นในอดีแตและมีเหตุการณ์เรื่องราวในลักษณะเดียวกันเกิด ข, ขึ้นในปัจจุบัน พระเจ้าทรงประลบเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ย้อนไปยกตัวอย่างในอดีตเพื่บุคคลเห็นถึงพฤติกรรมซําซ้อนที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันจะมีผลในลักษณะเดียวกันทั้งด้านบวกและด้านลบจะดกที่แปลว่าเรื่องจึงเคยเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าทรงอาศัยพระญาะเรียกว่า เป็นวิทาศาสตนิตยานเคือร ะ, ะ, ะลึกชาติก่อนแล้วก็นำมาเป็นอุปกรณ์ในการสั่งสอนซึ่งได้เคยแสดงไว้สี่ชาดกแล้วชาดกนั้นมีมาก เ, เกินวันนี้จะได้พูดถึงอุรกาชาดกที่จริงชื่อก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรเท่าไหร่นะฮะอุรกาก็แปลวาสัตว์ที่ไปได้วยอกคืองูแต่นั่นเอง ในแปลว่ ง, งูเท่านั้นเอาชาดกที่ว่าด้วยเรื่องของพญานาคราชมีข้อความว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันกรุงสาวัตถี เ, เหตุการณ์ส่วนมากในพุทธสมัยก็เกิดขึ้นที่นี่เพราะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ถึงสิบปีนะฮะที่ประเชศตะวันเวลาก็นาน เรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มาคั่งกันอยู่ที่นี้เยอะแยะไปหมดเลยในราชสำนักของพระเจ้าประเนสนิีโกศลมีข้าราชการผู้ใหญ่สองท่านเป็นฝ่ายทหารด้วยกันทั้งนั้นในด้านฝีมือลายมือก็เก่งด้วยกันอย่างอื่นเรียกว่าไม่มีปัญหาแต่ก็มีปัญหาที่ว่าสองท่านเจอหน้ากันที่ไหนก็ทะเลาะกันทุกทีย ความแตกแจ ก, กทะเลาะกันเจอกันกลางถนนก็ไปทะเลาะกันกลางถนนที่ต่อหน้าที่นั่งก็ไปทะเลาะกันหน้าที่นั่งก็เป็นที่อิจนาระอาใจพอสมควรพระเจ้าปเสนที่โกศลเองก็ไม่สามารถที่จะประนีประนอมอะไรได้เสนาบดีผู้ใหญ่เหล่าอื่นถึงเรื่องอื่นพอจะพูดกับท่านทั้งสองนี้ได้ แต่พอเรื่องที่ไม่ชอบจนเกิดทะเลกกาะกันนั้นพูดไม่ได้สักคนคือจะไปพูดทีละคนก็ไม่ได้เรียกมาพูดทีละสองคนก็ไม่ได้้กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าคลายไอ้กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกของพระเจ้าปเนสนกุศลครรภใจออกทางราชการหรือสองท่านก็มีฝีมือดีได้เกินก็ไปเอาออกได้ทีเดียวสองคนก็คงจะยุ่งเหมือนกัน ต, ต้องลงกับประคับประคองกันมาอย่างนี้ทีนี้มันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าในบางครั้งบางคราวงานที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมกันต้รมสารสัมพันธ์กันแล้วท่านทั้งสองนั้นเกิดไปทํางานที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างนี้มันก็เกิดการขัดขวางขัดคอกัดจังหวะไม่ยอมช่วยเหลือกันมันก็เกิดผลเสียเกงงาน จนชาวบ้านก็เอาเรื่องเหล่านั้นมาซุบซิบมาวิพากษ์วิจารกันแล้วก็เรื่องจะมาถึงพุทธสํานักคือมีคนมากราบทูลให้พระพุทธเจ้าสงสารพระพุทธเจ้าก็ไม่รับสั่งอะไรแต่ต่อมาวันหนึ่งก็ทรงสวดดูว่าเห็นว่าเป็นเวลาที่พระองค์จะต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหานี้แล้วเราเสด็จไปบินทบาทธรรมดานะฮะ สเสด็จบินตบาตธรรมดาแต่ก็แวะเข้าไปในบ้านของข้าราชการผู้ใหญ่อีกท่านหนึง่งท่านหนึ่งคือในในสองคนนั้นน่ะชื่อเขาไม่ได้บอกไว้ว่าชื่อไงแวไปแล้วท่านก็แสดงความชื่นชมยินดีออกมารับบาตรของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าไปสวายพระตาหารให้ความเคารพความนับถือความคุ้นเคยดีแต่แล้วพระพุทธเจ้าก็เริ่ม พูดจาชี้แจงปรับพื้นฐานในเบื้องต้นจนในที่สุดก็แสดงธรรมสูงขึ้นไปโดยลำดับจนท่านผู้นั้นได้บรรลุโสดาปติผลเป็นพระโสดาบันแลวพระเจ้าก็ใช้วิธีคือทรงบาทให้ถือให้ถือตามเสด็จตามไปไหนก็ไม่รู้พระเจ้าก็เสด็จไปข้างหน้าไม่ได้หันมารับสั่งอะไร การผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ถือบาทตามไปข้างเบื้องประปิดสดางเกิไปข้างหลังตอนนี้ไม่ไปบินธบาเอาไปแวะอีกบ้านคนนึงอีกบ้านหนึ่งคูู่่พิพาทคู่ทะเลาะ ก, กันนนอนพอเห็นมาก็แสดงความยินดีครับทูนอัญเชิญพระพุทธเจ้าเข้าไปในบ้านตอนรับอย่างดีท่านผู้นี้ตอนตอนนั้นท่านไม่มีปัญหาในหัวใจกิท่านไม่มีแผลใจแล้วท่านก็เข้าไปด้วย พระท่านเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอุ้มบาทอยู่ก็เข้าไปก็เชิญไม่เชิญท่านก็ต้องเข้าไปพระพุทธเจ้าก็เริ่มคุย เ, เสร็จแล้วก็แสดงธรรมโดยนัยะหรือกล่าวว่าศกท่านผู้นั้นก็บรรลุมรรผลเป็นปรโสดาบันเหมือนกันเพราะต่างคนต่างเป็นโสดาบันแล้วไอ้ความคิดที่จะตะบันกันก็ไม่มี แล้วก็หันหน้าเข้าหาการก็ประณีประนอมกันก็ขอขามาลาโทษซึ่งกันและกันก็กลายเป็นมิตรตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปถึงพระเจ้าตะวันทั้งกู้แล้วกลับมาก็เดินคุยกันมาเป็นเพื่อนรักกันมากเลยเดินมาจากวัดพระเจ้าตะวันมากรุงสาวัตถีนี่มันก็ไกลไปตรงค น, คนมันก็เห็นเห็นคนก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลย เราพระพุทธเจ้าทำยังไงเอาจตุคู่อาคาตสองคนมาให้อุ้มบาดตามเสด็จไปส่งถึงวัดแล้วพอกลับออกมาจากวัดสองคนนี้ก็คุยกันนงหนิงนงห น, ง น, งนิงเดินมามันก็รักกันเหลือเกินทางด้วยเมื่อวานก็ทะเลาะกันเสียงเหล่านี้มันก็เล่าลือพูดกันกระซิบกระซาบก็ตื่นเต้นนะฮะเพราะขนาดพระเจ้าแ ผ, แผ่นดินยังเอาไม่ได้เลย ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เสนาบดีผู้ใหญ่แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเสด็จไปวันเดียวได้ไปทั้งสองคนพระภิกษุรู้ข่าวก็ล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะจริ่งยิ่งก้นคืนขณะในธรรมสภาท่านก็ประรบเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามันอัศจรรจยร์จริงๆพระพุทธเจ้าทําไปทำกับท่านยังไงจึงเอาคนที่ทะเลาะกันเป็นไม้เบือบ่อไม้เมากันมาตั้งน้ำนานนะให้เป็นมิตรเป็นสหายกันได้ พระเจ้าก็รับสั่งเล่าว่าโปรงให้คนทั้งสองฝ่ายนั้นประนีประนอมกันเป็นมิตรเป็นสหายกันไม่เฉพาะแต่ในชาตินี้แม้ในชาติปางก่อนก็เคยได้ทำมาแล้วคิสต์ทั้งหลายก็กราบทูลให้ทรงทราบกรับสั่งเล่าเรื่องในอดีตอดีตการนานไกลามากคราวหนึ่ง โปร่งได้เกิดเป็นพรามแล้วก็บวชเป็นดาบบทอยู่ในป่าในคราวหนึ่งมีการประชุมกันเพื่อดูมรสพบสนุกสนานมีงานเฉลิมฉลองประชาชนทั้งหลายก็มาร่วมประชุมพอดี น, นาค ก, กับครุฑร้อมตัวเป็นมนุษย์เข้ามาอยู่กันด้วยก็ดูในขณะที่สนุกสนานกันอยู่นั่นเอง ในนาคที่มันปลอมตัวเป็นมนุษย์แล้วก็เอามือไปเกาะบากครุดซึ่งก็เป็นมนุษย์อยู่เหมือนกันก็ไม่รู้กันในสุดพอทั้งสองฝ่ายเกิดหันหน้าเข้ามาเห็นกันก็รู้กันว่าใครเป็นใครที่ปลอมตัวมานาคก็ตกใจวิ่งหนีครุดก็ไล่ไล่ก็นาคก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แปลงตัวกลับเป็นแก้มณีข้าไปซ่อนอยู่ในจีวรของฤษี เมื่อครุฑไปถึงก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็รู้นะครับว่าก็ปลอมเป็นเป็นแก้วเข้าไปอยู่ในจีวรของฤาษีแต่แกก็ไม่กล้าทําอะไรไปถึงก็ไหว้ฤาษีบอกว่าท่านฤาษีถ้าต้องการจะซักผ้าขากลองหรือผ้าจีวรเออยมจะช่วยซักให้ฤาษีท่านก็รู้ไถ่นะฮะแต่สุดท่านก็เตือนให้สติ ว่าเรารู้ความประสงค์ของเธอที่ต้องการจะมาช่วยซักผ้าให้เนี่ยมีความประสงค์อะไรเ็เธอรู้ว่านาคปราปรอมตัวเป็นแก๊บมณีอยู่มามาอยู่ในจีวรของเราแต่เราก็มีความชื่นชมในตัวเธอเหมือนกันที่เธอไม่แสดงอาการมุทะลุหักหารเพื่อจับเอานนาคที่อยู่ในจีวรของเราไปเป็นอาหาร ในท่นสุทั้งก็กล่องกลาให้ก็ให้นาคออกกลับมาสู่สภาพเดิมทั้งคู่นะฮะแล้วก็จะพูดจาให้ประนีประนอมกันพระนาคเองก็มีอาหารส่วนตัวครุฑก็มีอาหารส่วนตัวตส่วนตัวนั้นก็ควรจะประนีประนอมกันเท้ยคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรจะประนีประนอมกันไม่ควรจะเบียดเบียนกันเป็นมิตรเป็นสหายกันเจ้าก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของของฤๅษีด้วยกัน ในสุดทั้งสองฝ่ายก็ตกลงพอมีสายใ่มาผูกไว้อย่างหนึ่งคือสิทธิสมนักเดียวกันคือเป็นเป็นลูกศิษย์ก็รูษยด้วยกันจากนั้นก็เลิกการเบียดเบียนกันแล้วข้อความในชาดกเหล่านี้ท่านจะเห็นถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เด่นมากนะฮะว่าพระพุทธเจ้าลงเล่นทุกภาคเลย คือภาคสนามภาคอะไรก็ทุกภาคไปอยู่ทุกภาคเลยไม่ใช่ว่าไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแต่พระองค์ทํางานยากักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจบุคคลเหตุการณ์กรณีต่างๆอย่างที่แสดงออกไ้เพราะในปุคกลกิกภาพเหล่านี้เป็น เ, เรียกว่าสํานวนหายานเขาเรียกว่ามีปุคลิกภาพอย่างมหาศาลหรือไม่สามารถจะประมาณได้ว่าพระพุทธเจ้าจะไปอยู่ในจุดใด เวลาหมหายานก็เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเขาก็มองในพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับพระเจ้านะฮะคือเป็นพุทธานุภาพนั้นแผ่อยู่ทุกอนูคือแผ่ซ่านทั่วไปในส่วนต่างๆของโลกเพ ร, ะราะอะไรเพราะอาศัยรู ป, ปกายของพระองค์ที่พระองค์ปรากฏในทุกรูปคือทุกงานเขาทะเลาะกันถ้าพอช่วยแก้ไขได้ก็ไปแก้ไขให้โจรกำลังล่ฆ่าคนก็ไปช่วยแก้ไขให้เขาเจ้านาน า, นานลม้มเอาก็ไปช่วยเขาอะไรเนี่ย ไปทุกงานไปช่วยเหลือเขาทุกจุดที่ดูในวิสัยที่จะช่วยเขาได้นะครับนอกจากเป็นเรื่องของกระแสกรรมจริงๆก็สุดวิสัยเพราะว่ากระแสกรรมก็ไม่มีใครเขช่วยได้นี่คือพระพุทธคุณที่เด่นตัวอย่างจึงมีอยู่เป็นอันมากประการแรกก็คือเรื่องของคนเรื่องของคนก็คือเรื่องของคนวิจารณิยามยังไงคนก็คกรก คนก็คือคนคนในยุคใดสมัยใดยมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่าการไม่ยอมประนีประนอมกันไม่ยอมเป็นพวกเป็นมิตรกันนั้นอาจจะเกิดมาปัจจัยจากจากปัจจัยหลายอย่างนะฮะเราดูบางทีคล้ายๆกับว่ามันมีการโกรธการขัดเคืองกันอย่างเดียวที่จริงไม่ใช่อะมันมีตั้งหลายอย่างเช่นว่า เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการผลประโยชน์แตอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกันแล้วก็ยื้อแย่งผลประโยชน์เหล่านั้นมันก็ไม่ชอบกันได้อีกอย่างหนึ่งการไม่ยอมรับนับถือสถานะทางทรัพย์สินทางตําแหน่งการงานทางฝีมือทางความสามารถอะไรมันพร้อมที่จะออกมาในการไม่ร่วมงานออกมาได้ทั้งหมดแต่ส่วนมากเราจะมองในแง่โกรธ เมื่อมองให้ซึ้งลงไปจะพบว่าหลากหลายมากปัจจัยที่ทำให้คนเกิดการไม่ชอบไม่ร่วมมือไม่เกี่ยวข้องกับคนคนนี้ตั้งสองคนนั้นคงจะหลายอย่างนะฮะแต่ว่าตัวการสาคัญก็คือคงจะถือในแนว น, นะฮะต่างตัวต่างดีต่างมีวิชาต่างตัวต่างกล่าววิชาเทียมกันอย่างที่โบราณท่านว่าก็เลยก็ต่างคนต่างก็ตั้งป้อมไม่ยอมเข้าหาม่ยอมประีประนอมกัน แล้คนประเภทนี้ส่วนมากก็จะมีดีด้วยสิมีดีสมัปอวดมีดีสมับเป็นเครื่องยึดถือแกในชั้นหนึ่งนะฮะเือคือถ้าไม่มีปมอะไรสมัปปมแกก็สร้างปมเด่นขึ้นมาไม่ได้งั้นแกอาจจะมีฝีมือดีมีความสามารถดีหรือมีกําลังพักปลุกบริวารมากหรือมีเงินมีทองมากหรือมีอํานาจมากอะไรตัวใเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้แม้แต่พระเจ้าปเสนที่โกศลก็ไม่กล้าแตะอย่างแรง แล้วก็ปล่อยให้ท่านทั้งสองนั้นทะเลาะ ก, กันไปคนอื่นก็ไม่ไปกล้าแตะตั้งเขาทั้งสองคนก็ไม่มีความคิดในทางปณีปนันธ์ปัญหานั้นถ้าเรามองในเชิงรูปธรรมของความเคลื่อนไหวที่เป็นพฤติกรรมออกมาจริงๆนะฮะได้นว่ามันก็ดึงดึงพวกเขามาร่วมบงไพรบุญด้วยกันทั้งสองฝ่าย อีกฝ่ายหนึ่งพวกลูกน้องก็สนับสนุนไปชี้ในส่วนที่ไม่ดีก็ อ, อีกฝ่ายหนึ่งให้ลูกพี่ของตัวเองฟังฝ่ายหนึ่งก็คงทําทํานองนั้นและในที่สุดตัวเองอาจจะใจอ่อนโยนลงแต่ว่าลูกน้องข้างหลังก็จุดไฟเข้ามาเรื่อยๆตามใส่เชื้อเข้ามาเรื่อยๆไฟก็ลุกไหมอ้อยู่เรื่อยๆบางทีมันก็เสียคนตอนแก่ก็เสียคนเพราะบริษัทบริวารของตัวเอง นี่ก็คือภาพของการทะเลาะแตกแยกแล้วเรามองจากมุมบทเรียนตรงนี้เรามองในจุดส่วนอื่นก็ได้ยกตัวอย่างวิกตุจาวโกสัมพีที่ทะเลาะกันที่จริงมก็เริ่มจากอง์เดียวไม่ใช่คือสององนะฮะสองฝ่ายแต่ฝ่ายละองคเท่านั้นเองพอต่อมายืดเยื้อออกไปลามปามออกไปก็ดึงร่วมบงภัยบูญญาติโยมบาสกุบาติกาก็มาถือหางพระทั้งๆในพระไม่มีหางให้ถือกจับกันไปในสุดก็แตกกันทั้งบ้านทั้งเมืองไง พระพุทธเจ้าเสด็จมายังแก้ปัญหาไม่ได้นช่วงนั้นเป็นวิกฤตการณ์ทางสังคมฮะคือคือพรีแมในสถานการณ์อย่างนั้นไม่ได้แล้วการที่พระเจ้าประเสนที่โกศลท่านไม่กล้าชี้อะไรนะฮะซึ่งมันควรจะชี้ได้ฮนะแต่ทำไมจึงไม่ชี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ชี้ผิดชี้ถูกเหมือนกันถอาในกรณีวิกฤตการณ์ทางสังคม เนื่องจากถ้าเราชีา้ค่ามใดควมนันมันต้องมีคนผิดอยู่คนหนึ่งอะ่ะต้องมีคนผิดอยู่คนหนึ่งแม้จะผิดด้วยกันคนหนึ่งก็ต้องผิดมากผิดน้อยถ้าจะรับโทษมันก็ต้องมีโทษมากโทษน้อยอยู่และคนที่รับโทษมากนั้นจะมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ตัดสินนันทีได้นั่นคือในกรณีที่มันมันมันลามป่าออกไปเป็นสังคมแล้วพระเจ้าประเสริฐทีโกสลถ้าจะชี้ให้คนใดคนหนึ่งผิดนะฮะหรือว่าคนหนึ่งผิดมากคนหนึ่งผิดน้อย อีกคนที่ผิดมากคนที่ผิดมากก็จะมีความรู้สึกคนที่ถูกชี้ว่าผิดมากเราก็จะมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าประเสนีโคศลพระเจ้าประ เ, ระ เ, ระเระสนีโคศนเองก็ต้องสร้างตัูขึ้นมากลุ่มหนึ่งซึ่งไม่รู้มีกี่คนเหมือนกันก็มีปัญหาในการบริหารในแนวของพระวินยัยปัญหาในลักษณะนี้ถ้าเป็นวินัยนะฮะเป็นวินัยนั้นท่านใช้อีกแนวหนึ่งเขาเรียกว่าเกิดตินวัฏฐาะกะ กลบไว้โดยหญ้านฮะตีน่ก็คือหญา้ากลบไว้โดยยญ้าไมา้ความมาเลิกแล้วยอมความกันหมดเลยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหยุดนับเดินกันใหม่เรื่องมันเละเทะหมดเลยข้างบนเลิกนับเดินกันได้ใหม่เป็นการประนีประนอมให้ยอมความด้วยกันทั้งสองฝ่ายซึ่งโดยเงื่อนไขของวินัยนั้นมันก็กําราบนะฮะเงื่อนไขาทางวินัยเหมืนเงื่อนไขกฎหมายมันกำราบได้แนตะ่นั้นเองแต่ถ้าไม่แก้ที่ใจ แก้ไม่ได้ปะหลังกาเอาอีกอะ่ะมันสร้างงานขึ้นมาอีกจนยุ่งจนได้เลยมาตรการทางวินยัยคือมาตรการทางวินัยที่แก้สถานการณ์ชั่วคราวเพื่อเพื่อหยุดไม่ให้สถานการณ์เหล่านั้นลุกลามมากเกินไปพระพุทธเจ้าจึงไม่นิยมใช้นะฮะสำหรับพระองค์เองแต่พระองค์นั้นสุดยอดอไม่ต้องห่วงทําอะไรก็ได้เรากลับไปแก้ที่ใจให้ลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงไอ้คนสองคนนี้ทะเลาะกันเลย ไม่ได้พูดถึงเลยไปถึงก็ไปบินตาบาดแบบพระบินตาบาดแทนที่จะบิณตบาดตามหน้าบ้านเฉยๆก็เดินเข้าไปบ้านเลยนะเขาก็ดีใจนะพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบ้านคราวนี้แ ล, แล้วที่สําคัญอย่างยิ่งคือเขาในในครั้งแรกนะฮะคนแรกก็อาจจะรู้สึกคุยภาคภูมินะฮะอาจจะนึกดูหมิ่นในเพื่อนในคู่ปรปับของตัวเห็นไหมเห็นไห้ในแกนี่ขนาดพระพุทธเจ้าจะมาบ้านฉันเลยแกก็คง น, นึกคลุ้มคลุมของแกนะฮะงั้นแกก็สบายใจพรจะพุทธเจ้าเข้าไป ไอ้ความสบายใจความปีติความเอื้อิ่มเนี่ยมันเป็นฐานให้ใจให้ใจพร้อมได้จะรับเพราะถ้าหากว่าเร า, เามีความรู้สึกทางลบเกิดขึ้นแต่ก่อนแล้วมันก็เดินหน้าไม่ได้แต่การที่แกมีความปีติเอื้อิ่มใจขึ้นมาจนในที่สุดก็บำเพ็ญความดีด้วยการนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ประทับนั่งแล้วก็อังค่า ด, ด้วยอาหารระบินธบาตด้วยความชื่นชมยินดีนั้น ก็เรียกว่าใจก็มันเป็นภาชนะพร้อมที่จะรองรับอะไรอย่างจำนวนของพระธรรมกถกที่ท่านเทศสมัยก่อนน ะ, ะเทศสองธรรมะท่านที่อาอยุมากหน่อยก็คงจะได้ยินโดยเฉพาะาตามบ้านนอกนะฮะตั้งใจเหมือนภาชนะทองรองรับเอาน้ํานมแห่งไกรสอนราชสีคือประบาลีที่อัตมาปาทศสองจะได้ทั้งวร์นนะคือคือหมายความว่ า, าไอ้ภาชนะมันสะอาดภาชนะสะอาดพร้อมที่จะรับของจึ่งสะอาด จิตใจก็เหมือนกันจิตใจมันก็ดูดภาชนะที่จะรองรับธรรมะซึ่งเป็นของสะอาดแต่ถ้ามันมีฝ้าอยู่มาข้างบนมันก็รับไม่ได้มันก็ซึมลงไปไม่ได้ก็มีฝ้าขวางไว้นะฮะแล้วในการปฏิบัติกรรมฐานเรามันก็แนวนั้นนะแนวที่จะต้องการเอาฝ้าออกคือนิวรณ์ออกเสียก่อนเมื่อใจมันเป็นภาชนะพร้อมที่จะซับเอซึมซับไอธรรมะเข้าไปนั้น ปัหาทีนั่งกับมาถายในทุกวันทุกวันเนี่ยแก้ฟ้านะจริงๆแก้ฟ้าข้างบนไม่ใช่ว่าไปแก้เจาะหรืออะไรแต่มันออกฟ้าไม่ออกทั้ทีมายุ่งอย่าเนี้ยมันก็เหมือนกันอะไรเหมือนกับพวกของที่เป็นกะทิพอเจอหนาวแล้วมันก็จับเป็นฟ้ากันใหญ่เลยไอจิตใจของบุคคลเราก็เหมือนกันชีพอเจออารมณ์ข้างนอกมากระทบมันก็กลายเป็นฟ้าอยู่ข้างบนนะถ้ากระทบมากๆนะกระทบมากๆมันก็ฝ้าแยะฟ้าแยะเวลาจะทําอะไรมันก็ลงมาไม่ได้ฝ้ามันก็กั้นไว้ นี่คือคือวิธีเราจะ เ, เราจะเห็นว่าวิธีของพระเจ้านั้นเป็นเป็นวิธีที่ละเมียดละไมามากเลยหักไม่มีพูดถึงเรื่องเพราะถ้าเราพุทธเจ้าจบอกเออเธอทะเลาะกันอย่ามาขึ้นแล้วขึ้นแล้วอุ้ยอันนี้มันใช้ไม่ได้พระเจ้าเข้ามันเร็วตามันเสร็จเลยเกิดโกรธแล้วพูดมันไม่รู้เรื่องเลยก่าขึ้นจะแล้วครับว่าขึ้นจะแล้วบางไม่ไม่ไม่พูดถึงอะไรเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ประรบับอะไรทักคำทั้งสองคนนะเราจะเห็นว่าไม่ไม่รารบอะไรทักคำ ตั้งนับหมึองกันใหม่แล้วก็พูดเรื่องอื่นด้วยเป็นการแยกความคิดออกมาจากจุดไวไฟจากจุดที่ไวไฟใกล้ๆกันเราจะทาอะไรก็แยกห่างจากไอแอกจากน้ามันเบนซินนะฮะแยกมาจากจุดที่ไวไฟในสุดก็เริ่มเทเจมผมก็กล่าวไปเรื่อยนะฮะประรบถึงทานดีกระทำใ น, นตอนต้น ตั้งฐานแกก็ชื่นชมปลื้มนะฮะปลื้มแหมทำไปถึงพระพุทธเจ้ายอแล้วนะฮะยังโยมทํากับข้าวมาในพระยอแหมโยมทํากับข้าวอร่อยจริงๆดีจริงๆก็สบายนะฮะสบายใจอ่ะนี่ก็คือคือคือคือสิ่งที่เริ่มเที่ยงมาขัดกล่าวทําให้เกิดประณีตขึ้นมาหนีขึ้นหลวพระเจ้าก็ปรับไปเรื่อยปรับไปเรื่อยไปถึงศีลนะฮะไปถึงศีลก็กระจายในตัวศีลออกไปแล้วให้เห็นว่าไอ้การอยู่ร่วมกันอย่างเมตตาจิตตึงตัวกันข้ามกับปานา จายไปเรื่อยๆในในสุดท่านก็พร้องก็บรบรลุมากคนนั่นคือเป็นวิธีเป็นวิธีที่เรียกว่าเทศนาวิธีคือความปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าที่ต้องการปรับฐานใจแล้วสำนึกนั้นเกิดเองนะเราจะพบว่าตลอดสายพระเจ้าไม่คุยสักคำเลยเรื่องกองตลอดใจก็ปรับเองพอถึงเป็นพระโสดาบาันไม่มีปัญหาแล้วเนะี่ย พราะประสูตดาบันแม่แต่ศีลพัตตรามาทังกละได้แล้วสักกายติติธกละได้แล้วอสักกายติติละได้เนี่ยะในความเป็นเราเป็นเขามัน ม, มีแล้วเมื่อความเป็นเราเป็นเขาไม่มีศัตรูเราก็ไม่มีด้วยนศะัตรูเราก็ไม่มีด้วยมันมีแตเ่เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมเก่ร่วมเจ็บร่วมตายในงานนั้นปรับจิตมาถึงจุดนี้จิตมันจะรายงานเองวิจิตรฉาสงบไปปัญญาเกิดขึ้นแล้ว รู้อะไรรู้เหตุผลต่างๆได้ดีเพราะงั้นคนระดับนี้ขึ้นไปจะไม่ทะเลาะแล้วนะฮะจะไม่ทะเลาะกับใครแล้วต่อมาก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ขี้เกียจอุ้มบาตรนะจะส่งบาตรให้ใครอุ้มแล้วต้องมีปัญหาต้องต้องมีเป้าแล้วฮะต้องมีเป้าอยู่แล้วปกติพระองค์จะอุ้มของพระองค์เองอะ แต่ถ้าส่งให้อุ้มเนี่ยไอ้คนมันก็ดีใจนะัะไอ้อุ้มบาทรพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สงหะหยอกเหนะี้ยไม่อะหรละนะคนตั้งเยอะแยะไม่ส่งบาทให้ถือเนี่ยก็ส่งให้เราถือนิ้วโลก โ, กโก้จังนะฮะไอ้อุ้มบาทรพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะงั้นไอ้ท่านผู้นี้ท่านไม่มีปัญหาแล้วนะฮะพระพุทธเจ้ากแก้ปัญหาหัวใจหมดแล้วเพราะรัสั่งให้อุ้มบาทท่านก็ทำโดยทํามาปีตินะฮะด้วยความเอื้อปิ่มไปปีติทีนี้อพอไปถึงแหวกอีกบ้านหนึ่ง ท่านจะเห็นว่าอะไรความเคารพยำเกรงที่แกมีอยู่ในพระพุทธเจ้ากับความปลื้มปีติที่ที่ให้ปีติก่อนนะฮะให้ปีติก่อนดีใจพระพุทธเจ้าเสด็จมาเพราะเพราะว่าตามปกติพระพุทธเจ้าจะไม่เข้าบ้านใครนะฮะนอกจากเขานิมนต์กลับไปอย่างเงี้ยถ้าไปอย่างนี้เราก็เข้าไปแม้แต่วางพระเจ้าสุโธโธนะเองก็ไม่เสด็จเข้าไปพระเจ้าสุโธโธนะต้องนิมนต์เข้าไป เป็นไว้แต่ว่าพระองค์เห็นอุปนิสัยใครที่นั่นแล้วพระองค์จะเข้าไปเองถ้าไม่าให้ทำเพื่อเขาพระพุทธเจ้าไม่เข้าไปการเข้าไปสู่สถานที่ใดเป็นการเข้าไปเพื่อเขาไม่ใช่เข้าไปเพื่อพระองค์นั่นคือลักษณะเด่นของพระพุทธเจ้าให้ลองสังเกตทุกแข่งทุกคนเลยไม่ว่าที่ไหนก็ตามถ้าจนถึงกับเข้าไปเช่นอย่างเคยเล่าที่พระองค์เสด็จไปที่เมืองอาตุมานะฮะ ต้องการจะแสดงสภาให้ดูคนก็มาประชุมสภากันเลเ่ทเทุ่มเถียงกันลั่นนะซึ่งโดยมัน ญ, ญาติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เข้าไปเพราะเป็นที่เ็าเรียกกเฉพาะกลุ่มของสมาชิกสภาพระพุทธเจ้าก็ต้องหาทางให้เข้าไปก็เข้าไอไออากระกสินให้ฝนมาตกแล้วก็หลบฝนขอหลบฝนเข้าไปเพื่อมีเหตุได้เข้าไปได้ก็เข้าไปถึง แล้วก็เดินเพื่อปรารบเรื่องเดินตัดที่ซึ่งเขาห้ามไม่ให้เด่นเพื่อให้พวกนี้ปรารบเรื่องขึ้นมาเว้ยก็เว้สมณะโลนไม่รู้เรื่องสภ า, างไง <c oughs> พระเจ้าก็เริ่มได้แตฮะเขาบอกพระองค์ไม่รู้เนี่ยพระองค์ก็เริ่มได้เพราะเป็นการาแก้ปัญหากลุ่มคนนั้นไม่ใช่เจาะเฉพาะตรงใดทางหนึ่งพระเจ้ า, จ า, า, จ า, ก, จาก็ทรงแสดงว่าสภาใดไม่มีสัตว์ปรุษสภานั้นไม่ชื่อว่าสภา คนใดพูดไม่เป็นธรรมคนนั้นไม่ใช่ว่าสัตว์บรุษนะที่รู้สึกว่าเราเอามาทําเป็นอักตรไว้ที่นี่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าคนอ่านกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้ที่สภานะฮะก็นี่คือวิถีของพระพุทธเจ้าเพราะ ง, งั้นพอมา ถ, ถึงจุดนี้ท่านพระพุทธเจ้าก็ปรากฏพระองค์ก่อนแกก็ดีใจพอดีใจพอเห็นพระพุทธเจ้ามองเห็นคนที่เป็นศัตรูใจก็คงจะขุนนิดหน่อยนหละฮะแต่ว่า มีความเคารพพระพุทธเจ้าเป็นฐานมันสลายอยู่แล้วฮะสลายมันมันคือคล้ายๆกับเอาไว้น้ําสะอาดให้มากไว้ก่อนเดี๋ยวมีจุดหยดขึ้นไปกไ็น้ำสะอาดนั้นก็จะสลายเองด้วยความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้านั้นคืออุปายวิธีในการสอนนะนี่แต่เราเรียนเขียนในวิชาครูได้บทใหญ่ๆนะเจ็บตัวใหญ่ๆเลยเน่ยต่อมาก็พระเจ้าก็เริ่มแสดงธรรม แรงทำในตอนรแรกๆนะฮะมันมันมันมันมันก็คงจะปุ๊บุบปุ๊บ่างนะเพราะ <intox> ไอ<ป>ตัวสัตว์สูมานั่งไกลๆแต่ว่าอาศัยธรรมะก็ค่อยดึงไปดึงไปดึงไปดึงไปในที่สุดแกก็เข้าสงบเข้าทางไนดะ้พอเข้าทางก็ถึงอยู่จุดเดียวกันนะฮะอยู่ในจุดสูงสุดด้วยกันคือเป็นพระโสดาบันด้วยกันปนัญหาที่ค้างอยู่ภายในใจก็ถูกกระจัดไป พระพุทธเจ้าก็ไม่เออว่าเธอทะเลาะ ก, กันน่ะเดี๋ยวนี้ดีแล้วไป็นลูกศิษ์เราแล้วก็คืนดีกันไม่ต้องนะไม่ต้องรู้เองแล้วไม่ต้องพูดแล้วเสร็จแล้วท่านทั้งสองก็หันหน้าเข้าหาประนิพพานนี่เราก็มองได้หลายทางนะฮะทางหนึ่งคือเห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า ว, ว่าดูครุกคขีกับคนทั้งหลายที่ต้องใช้ว่าครุกคขีด้วยบริษัททั้งหลาย แต่ว่าการเข้าไปครุกคลีนั้นไม่ได้ครุกคลีด้วยผลประโยชน์ของพระองค์แต่เข้าครุกคลีเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างที่เคยเล่าว่าบางครั้งเนี่เดินผ่านนาชาวนาจะตั้งสามสีเดือนเดินผ่านนะจบผ่านผ่านไปสร้างความคุ้นเคยเอาไว้นะวันหลังแกมีปัญหาแน่กว่า น, นี้พระพุทธเจ้าจะได้มาช่วยนะพอคุ้นเคยเดินผ่านกันไปผ่านกนมาคนเราก็ต้องทักบ้างหยุดคุยกันบ้างนี่สร้างความเป็นมิตรไว้ เพราะเชื่อความเป็นมิตรไว้พอคนนี้ก็มีปัญหาพระเจ้ากขาเสด็จไปเยี่ยมนี่คือวิธีนะเราจะเห็นว่ากรุณานี่มหาศาลจริงๆพระเจ้านี่เป็นพระมหากรุณาที่มหาศาลเหลือเกินพระทัยของพระองค์นั้นมองทุกชีวิตเป็นผู้ประสบด้วยความทุกข์แต่ว่าการที่ว่าไปช่วยไม่ได้หมดมันอยู่ที่เงื่อนไขของเขาไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่พระองค์นะฮะเงื่อนไขมันอยู่ที่เขา ว, ว่าคนนี้ช่วยได้หรือช่วยไม่ได้ คนใดที่อยู่ในระดับพุทธเวไนคือผู้จากันรู้เรื่องสามารถแนะนําให้รู้ได้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปแต่ถ้ายังจิตยังไม่ได้อยู่ในระดับที่เรียกว่าพุทธเวไนถึงเสด็จไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่างที่เคยเล่า ว, ว่าพ่อค้าหมูบางคนพ่อค้าโค บ, บางคนอยู่ใกล้ประเทศตะวันพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เสด็จไปนะเพราะพวกเหล่านั้นไม่พร้อมไม่ได้อยู่ที่ประทายของหลวงแต่อยู่ที่ตัวเขาเอง เรื่องเหล่านี้จึงถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ออกจะอัศจรรย์แล้วมันมันมันมีประโยชน์นะฮะในแง่ของจิตวิทยามวลชนป้องสร้างความสนเท่ให้เกิดสร้างความสนเท่ให้เกิดเมื่อสร้างความสนเท่ให้เกิดคนค น, น, ดนคนอินเดียอย่าลือบางคนอินเดียมีเอกลักษณ์ของเขานะฮะเอกลักษณ์ที่พิเศษที่มันเป็นนักฟังชั้นยอดมาก เราะจะหาคนในโลกนี้นักฟังเท่าอินเดียไม่ได้นะแม้แต่คนไทยเองที่เป็นนักฟังชั้นยอดอยู่แล้วนี่สู้อินเดียก็ไม่ได้นะอินเดียก็นั่งฟังเป็นชั่วช่วโมงนะไม่จะเป็นชั่วชวโมงเป็นวันสมเด็จเคยไปนี่ไปสาธยายไอ้ประย่าสีมัตพระกวาดขีตาอาสมสีมัตพระวาดขีตานิมนต์รุมเด็จไปกล่าวสมโธเทีกถาก็เปิดอาสมนะครับพอถึงอาจารย์เขา บรรยายสีมัสพระกัฏกีตาในว่าจากเช้าถึงค่า ม, มืดเลยคนเต็มมืดฟ้ามัวดินอย่างนั้นเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติอินเดียเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่สมัยวุฒกาลมาเราจะเห็นว่าจนถึงก็ต้องสร้างสรรคาคารขึ้นสร้างสรรคาคารขึ้นในหมู่บ้านในคามในนิคมใหญ่เล็กตามขนาดของชุมชนเพื่อมาประชุมสนทา น, นาถกเฉียงปัญหาฟังนักปราชญ์ทั้งหลาย ที่แกเดินผ่านมาพอผ่านมาชาวบ้านก็มาเ้อมาล้อมฟังนะฮะแต่คนไทยก็ก็ น, นักเข้า้มาล้อมเหมือนกันในส่วนมากจะเป็นขอหวัวขอเบอร์ไปต้องดุดองขลังๆสักสิทธิ์หน่อยนะฮะแต่เขานั้นสนใจเรื่องธรรมะสนใจเรื่องธรรมะยิ่งสมัยพุทธกาลแล้วจะสนใจเรื่องธรรมะเรื่องความคิดเรื่องป ร, รัชญาเรื่องก็เรียกเรื่องจิตจิตนะฮะทิฏฐิกันในในสมัยนั้นลักษณะเขาเด่นมาก เพ น, นพอปอยข่าวนี้มันก็ทึ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็มีวิธีปลจว์นจริงๆนะเอาลูปสิบสองคนเดินตามไต้ไต่ อ, ต อ, ต อ, อุมบาทผ่านมาระยะทางเป็นกิโลนะจากจากในตัวเมืองออกมาที่ประเทศ ต, ตนนะวันก็คนข้างทางก็เห็นเห็นแล้วก็บอกต่อต่อตไปแบบแบบคนที่มันเกิดสนเทศทั้งหลายเนี่ยแกก็บอกบอกต่อๆไปมันก็เป็นการโฆษณาประชาธมพันธ์นะสมัยนี้ถ้ามีหนังสือพิมพ์มันก็ฟาดหัวตั ว, ตวไม้โป้งเลยนะฮะคนก็เฮโรสราพากันใหญ่นี่ก็คือวิธีเพราะนั้น คนเหล่านี้ก็ต้องตามมาที่วัดตามมาที่วัดพระก็รู้เรื่องก็พูดพูดเสร็จแล้วก็มาประชุมกันพระพุทธเจ้าก็ต้องเทศปรารภเมื่อเมื่อเขาปรารภนี้รู้จ้าก็เทศเทศอะไรฟังเทศอะไรฟังในขณะนั้นไม่จะมีเฉพาะพระแล้วโยมมาแยะเลยโยมมากันแย่เลยก็ได้มีโอกาสเทศเทศเทศธรรมดานะคนสับสนอย่างนั้นไปเทศธรรมะลึกซึ้งไม่ได้หรอกแตเทศก็ต้องเล่านิทาน เรียกว่าชาดกคือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้ไอ้เรื่องเรื่องเหล่านั้นท่านตั้งหลายจะเห็นว่าทำนองเดียวกันนะฮะทำนองเดียวกันเลยที่ชาดกนั้นจะหมายความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างไงเรื่องชาดกจะมีลักษณะอย่างเดียวกันเพราะปรารบถึงความซ้ําซ้อนของพฤติกรรมมนุษย์ที่มันทํากันทําแล้วซ้ําอีกมีผลเป็นทุกข์เป็นสุขซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่นี่แหละนะแล้วเราใช้ครมาชาดกคือเรื่องเรื่องเคยมีมาแล้ว แล้วก็นในอดีตการนามมาแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เล่าไปทุกเรื่องจะเป็นอย่างนั้นนะฮะให้ลองสังเกตว่าอมูลกรณีที่เป็นเหตุให้ส่งแสดงนั้นเป็นเรื่องเดียวกันหรือลักษณะเดียวกันอาจจะผิดกับกาลาเทศะบุคคลผู้ทํากรรมเหล่านั้นแต่ว่าตัวกรรมนั้นเหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อให้คนเห็นว่าคุณน่ะมีพฤติกรรมซ้ำซ้อนซ้ำซาคุณทํามาแล้วทำมาอีกคุณมาสบความทุกข์อีกชาตินี้คุณยังทำอีก ถ้ามีตะคุณคืนทำคุณก็ประสบความทุกข์อย่างนั้นอีกเหมือนกับที่คุณเคยทำมาแล้วนั่นเองเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครุฑเกี่ยวกันนาคเราไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งนะว่าครุฑคืออะไรนาคคืออะไรกันแน่แต่ว่าในวงวรรณกรรมของเรานั้นเราติดวรรณคดีของพราหมณ์นะฮะเราไม่ค่อยรู้วรรณคดีแบบพุทธเท่าไหร่ พระพุทธเจ้ า, าเองก็รับสั่งไว้เฉพาะใช้คำว่านาาว่าครุดแต่ก็ไม่ได้บอกรูปลักษณะสมบคนสมัยนั้นบางคนก็เข้าใจในฐานะใดฐานะหนึ่งนะฮะแต่ก็ตามที่รู้มาว่าพวกนี้เป็นสัตว์กึง่งเรียกว่าเป็นอมนุษย์นะฮะมันไม่ใช่มนุษย์แต่ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานโดยตรงไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทพโดยตรงมันเป็นเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานกึ่งเทพ เป็นสัเดชฉันกึ่งเทพสามารถที่จะกลับเปลี่ยนแปลงเพศได้คือเปลี่ยนอัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้แต่จะกลับสู่สาภาพเดิมในสองสถานะนะฮะคือในยามที่แกไม่ต้องการคือส า, ส, าสถานะในยามที่แกอยู่ในกลุ่มของเขาในะนยามที่ เ, เกี่ยวข้องกับทางเพศของเขา แล้วในยามที่นอนหลับสามวาระนี้ฮะแกจะอยู่ในเพศเดิมถ้าไม่งั้นปกติแกแกแกก็จะไปในเพศของมนุษย์เพศของอะไรอะไรแกก็ไปอย่แกอย่างนั้นงั้นจึงสามารถมาคุกคีกับมนุษย์อยู่ได้เวลามีงานมีการแกก็โผล่มาดูงานดูการกับเขาได้เมืองไทยเราจริงจริงมีตำนานเรื่องนากแยะนะฮะโดยเฉพาะทางภาคอีสานพวกน้องอาหาร น้องหานทางอะไรล่ะทางภาคอีสานจังหวัดไรแล้วก็เลยทางลาวไปมีสองแห่งนะน้องหานน่ะน้องหานที่ข้างบนข้าง อ, อะไรล่ะลานลานช้างอะ่ะลานช้างลานช้างก็มีมีเกาะอยู่กลางนะ่งฮะที่เรียกเกาะแม่ไหมก็มีตำนานเล่าเหมือนกันพระยานาคขึ้นมาเป็นผู้ชายแล้วก็ไปอชอบกับธิดาของกษัตริย์ในเมืองนั้นแล้วก็ต่อมา จิตใจมันห่วงใหญ่อะไรไม่ยอมกลับหน้ากระพิพพแปลงตัวเป็นหน้าไอเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกระรอกอยู่กลางวันเป็นกระรอกแล้วก็ถูกยิงตายยิงตายก็ไม่ใช่เป็นปลาไหลเป็นปลาไหลอยู่เป็นปลาไหลใหญ่คนก็จับได้แล้วไปแกงกันแกงมันใหญ่ปลาไหลมันใหญ่เหลือเกินนะแล้วกแกงก็แจกกันแล้วก็คนก็กินกันฮนะแต่มีผู้หญิงแม่ไหมคนหนึ่งแกไม่ยอมกิน แกบอกปาไหลอะไรตัวมใหญ่เลยเกินก็ไม่กล้ากินวัรุ่งขึ้นวันตกกลางคืนพญานาคผู้พ่อรู้ว่ามนุษย์จับลูกข่าก็มาถล่มเมืองซะเลยถล่มเมืองก็กลายเป็นหนองหารไอบ้ไบ้านไม่ไม้นั้นเว้นไว้บ้านไหนแกไมีกินพญาน้าก็ยุติธรรมดีอย่างเงี้นะครจริงๆก็ไม่ได้ไปให้ลามปามอะไรใครอันนี้ก็ตำตำนานของไทยเรานะฮะแล้วก็หนองหารที่อะไรอุดรรู้บ่นอ่ะจังหวัดอะไร ตำนานแมแนวเดียวกันไอ้นั้นก็รู้สึกเป็นกระรอกเผือกกระรอกเผือกเรื่องอะไรนะเจ้าเจ้าหญิงคำแดงให้เจ้าชาเจ้าหญิงคาแดงเจ้าชายอะไรเนะี่ยก็เรื่องเรื่องตำนานของเราทางภาคา อ, อีสานตกลงว่านากเอาจริงๆเราไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันเป็นพระคำในบาลีนี่ใช้แยะออใช้หมายถึงต้นไม้ก็มี ใช้ถึงหมายถึงพระพุทธเจ้าเองก็มีนะมหานาคพระพุทธเจ้ากเรียกมหานาคพระอาหารหันต์ก็มีพระอรหันต์ก็เรียกว่ามหานาคเหมือนกันแล้วก็หมายถึงคนที่ไม่ทําบาปนะะก็เรียกว่านาคแล้วหมายถึงผู้ที่เตรียมตัวจะบวชเราก็เรียกว่านาคนาคเล ย, ช, ยชื่อเยอะเหลือเกินความความหมายในที่นี้หมายถึงเราดูแล้วก็คือสิ่งมีชีวิตนะฮะสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ ก็ในแนวกึง่งสัตว์เดรัจฉานกึ่งเทพมีอำ น, นาจพิเศษเหนือมนุษย์แต่ก็มีอัตภาพต่ำกว่ามนุษย์ก็มีส่วนดีส่วนเสียนะฮะก็ทำนองคล้ายๆกับเวมาในกระเปรดนะ็ดคืออยู่วิมานในบางโอกาสแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเสวยทุกทรมานด้วยผลของอกุศลกรรมในบางโอกาส ประเนตรงนี้เราก็ไม่ควรจะไปติดใจนะครับเพราะว่าเขาเขาเนต์นที่ตัวเนื้อหาว่าแม้แต่สัตว์ดิรฉานทั้งหลายซึ่งจองเวนกั น, นจองเวนกันเป็นศัตรูกันด้วยพลานุภาพของเมตตาเมตตาโดยเฉพาะเราเรายกตัวอย่างว่าเราเอาแมวกับหมามาให้นอนดู อ, อยู่ร่วมกันได้ในบ้านในบ้านบางบ้านนะหมายความว่าเจ้าของแผ่เมตตาให้รักแมวกับรักหมาเท่าทกัน รักแมวรักหมาจะเท่ากันในในสุดอกระแสเมตตาของของของเจ้าของมันก็เริ่มสลายไอไอไความความอาฆาตพยาบาทที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์เหล่านั้นเราจะพบนะฮะแมวกับหมานอนกันเลยนอนบานทีก็ไปเล่นเดินตามหลังกันเลยนี่แสดงว่าเจ้าของเขรักสัตว์ต่านั้นมากเป็นกระแสเมตตาที่เราไม่รู้หรอกฮะว่ามันมันไม่มีที่พลนในการกัดกร่อนไอความอาฆาตพยาบาทความเป็นเวรกันที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์ได้ยังไง แต่ว่าภาพเรานี้มีจริงแล้วก็มีอยู่มากเสียด้วยท่านพญานาคนั้นก็มาเที่ยวอย่างที่ว่าเนี่ยไอ้ส่วนจะมาเที่ยวเป็นยังไงเมื่อหลายปีรู้สึกจะเราสักสิบกว่าปีนะฮะเดียกวกับปีที่อาเภอปันที่ทยาลานะฮะที่เที่ยวาเภอปันนังสตาทิยาลาแล้ก็มีนาคมาเป็นมนุษย์อยู่เป็นการเข้าว่านะฮะจิงเทพก็อยู่ที่เขา ไม่กินข้าวกินปลาอะไรแต่ว่าขอยขมที่เก็บไว้นในในอ่างมันหายไปเลยมันมีแต่เปลือกขอย ข, ขมสดๆอนะจนในที่สุดเด็กคนเนี้ยคนหนุ่มคนเนี้ยก็หายไปเลยมาช่วยเหลือทํางานทําการรู้สึกจะมาชอบพอลูกสาวเขานะฮะพอลูกสาวเขาแล้วก็ใครก็ไม่รู้หัวนอนปลาเท้าอะไรแต่แกแกก็สำมาการะ ว, ว่าแกเรีบร้อยแกมาช่วยงานนะพ่อแม่ของผู้หญิงก็เขาก็เมตตาทั้งฐานนะฮะ ได้ชวนกินข้าวแกก็ไม่กินวันดีคืนดีปรากฏว่าหอยโขมันก็หายไปทุกคืนทุกคืนไม่รู้ไปไหนหอยขมที่เก็บไว้แล้วก็ต่อมาพอเราเาปรียบเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะพูดแกะก็ได้ยินแล้วก็นมนี้ก็หายไปแล้วเขก็เล่าเป็นเรื่องพญานนาคเหมือนกันนะอาจจะ เ, ะเรื่องเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องพญานนาคเรื่องคนก็ได้แต่ก็ ข้อที่ที่เราตอบไม่ได้ว่ามันหายไปไหนอหอยขมได้ยังคือไม่ใช่หายเป็ น, เ ป, นเป็นจีนนะมันหายเฉพาะเนื้อนะ่ะหายเฉพาะเนื้อข้างในไอ้เปลือกมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่อหอยขมสดส ด, สดไม่ใช่ว่าใครเอาไปต้ ม, มก็อยู่ในนั่นนั่นแหละตัวเปลือกนะตัวเปลือกกับตัวเนื้อก็ยังปนกันอยู่อันนี้ก็เป็นข่าวมาทางจังหวัดยะลาสรุปประเด็นจึงไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่าไอ้กระแสเมตตาของฤษี ของไมตาของหรือสีที่เป็นผู้ปกป้องปกป้องอันตรายแล้วก็เราก็มองเห็นอย่างหนึ่งว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเมื่อประสบอันตรายเนี่ยต้องสแสวงหาที่พึ่งธรรมดาเลยทุกชีวิตจะต้องวิ่งหาที่พึ่งซึ่งตนมั่นใจว่าปลอดภยัยตนมั่นใจว่าที่พึ่งเหล่านี้จะให้ความปลอดภัยแก่ตนได้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นเราไม่ได้ปฏิเสธนะฮะเราไม่ปฏิเสธที่พึ่งทั้งหลาย เป็นการปฏิเสธในบางจุดจึงในหมู่ชาวพูดเราบางทีก็พูดให้มันเลอะเทอะเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้มองในแง่ของข้อเท็จจริงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นที่พึ่งได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกอย่างนะฮะบางอย่างเนะี่ยเป็นที่พึ่งได้ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภูเขาต้นไม้จอมปลวกอะไรอะไรต่างๆฮะที่คนก็นับถือกันเนี่ย เราไปที่โจมตีด่าว่าก็ว่างมงายร้ายเหตุผลมันเป็นเรื่องเด็กเล่นตุ๊กตาเราต้องยอมรับขา่าวแต่ว่ากันตามหลักของความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็ให้ขวัญให้กำลังใจได้สำหรับคนที่ชื่อถือวิธีเหล่านี้ให้ลองสังเกตพระพุทธเจ้าไม่เคยโจมตีใครเลยฮะไม่เคยว่าเลยรเพียงแต่ทรงแสดงในรูปของสัรชา ต, ติยานกสิ่งมีชีวิตว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อ จถูกมรณภัยคุกคามถูกความตายความเดือดร้อนอันตรายคุกคามแกต้องวิ่งหาที่พึ่งหาภูเขาหาตนหน้นไม้หาจอมปลวกอะไรทรงยกตัวอย่างในสะมนะัยนั้นก็เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ทรงแสดงว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมเนตังโขสรนังเขมังนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมเนตังสนมุตมะมังนั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดเนตังสนมากมาสปุกขาปุจจติ พูดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้คํากระชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีปัญหาสักคําคเดียวเลยนะปฏิเสธสามสถานะเท่านั้นสามสถานะเท่านั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันกเกษมแสดงว่าที่พึ่งอันเกษมสูงกว่านั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดแต่ที่พึ่งระดับกลางระดับต่ำระดับใหญ่มันก็รวไปหลายระดับนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าสูงสุด พูดถึงสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหลุ ด, ลดพ้นจากทุกทั้งปวงนะใช้คําว่าสัพนุกขาปรมุจจติเห็นชัดเลยภาพบาลีเนี่ยไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้เพราะในการที่นาควิ่งไปหาฤาษีแกก็ไม่ต้องการหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงแล้วอย่าให้ถูกครุสมันจับตอนนั่งกันแล้วกันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นที่พึ่งได้อยู่แล้วนี่คือตัวตัวอย่างที่เราเห็นกันชัดๆเลยว่าโดยหลักความเป็นจริงแล้วเราไปปฏิเสธอะไรไม่ได้แร้วไม่ว่าความเชื่ออะไรของใคร โลกนั้นมันมีมาเป็นล้านล้านไม่รู้กี่ล้านปีแล้วนะแล้วโลกบางยุคบางทำไมไม่มีศาสนาเลยถ้าสิ่งอะไรเป็นที่พึ่งพำนักไม่ได้คนก็ตายมาแล้วไม่สืบต่อพืชพันธมาจนถึงเราในปัจจุบันะก็แสดงว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งได้ระดับหนึ่งระดับโลกียะเราไปปฏิเสธเข้าไม่ได้แล้วอย่าลืมวาพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธนะอย่าอ้างพระพุทธเจ้านะไม่ไม่ไม่ปฏิเสธด้วยประการทั้งบุคปฏิเสธสถานะหนึ่ง สถานะที่จะให้เห็นแจ้งอริยสัจสีนะครับให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงมรรคผลนิพพานะพูถึงระดับมรรคผลนิพพานปฏิเสธระดับมรรคผลนิพพานศีละพัตตรมาตเองก็ปฏิเสธระดับมรรคผลนิพพานเพราะถ้ายังมีศีละพัตปบรมาตอยู่ก็ขึ้นสู่กระแสนิพพานไม่ได้แต่ไม่ได้ปฏิเสธถึงพัฒนาการในทางจิตวิญญาณที่ให้ประนีตขึ้นไปหรือว่าสักกายาทิฐิอย่างนี้ สักกายาทิฏฐิท่านจะเห็นว่าความเห็นเป็นตัวเป็นตนที่ประนีตขึ้นไปต้องการเป็นเทวดามันก็มีตัวตนนะเป็นพรหมก็มีตัวตนอยู่มันก็คือสักกายาทิเทียสักกายาทิฏฐิธรรมดาแต่ถ้ายังมีสักกายทิฏฐิอยู่ก็ไม่สู่กระแสนี้ผ่านเท่านั้นเองมันก็ไหลก็ละสายมันไหลาสายโลกิยะมันมันสุดยอดพัฒนาการของมันก็ขึ้นสู่อรูปประพรมก็ไปยะเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาหรอก เราว่ารูปประพรมอะไรคือว่าเอาเฉพาะแก้ปัญหานิวรณ์เนี่ยมันมีแต่พรอมมาซื้อพรมอมมันยังชั่วหน่อยแต่จะจะเข้าถึงให้รูปประพรมมารูปประพรมมก็ยากทีนี่สิ่งที่น่านับถืออีกประการหนึ่งนะเราจะเห็นว่าเกื้อมามองในแนวในแนวนี้นะคือคนบางคนเนี่ยเขถือว่าชาด ก, กมันเชื่อไม่ได้สัตว์พูดได้แต่แท้จริงนิทานฝรั่งสัตว์พูดได้ต้นไม้พูดได้นะ แต่พอพรรังเขียนแกเชื่อดีเลยเชื่อดิบดีเลยเอามาเล่าเป็นตุกเป็นตะเลยเรื่องคนแกละอะไรอะไรนี่อะไรสนนไว้คนแกละอะไรเนี่ยแตเอามาเล่ากันเนี่ยก็ชอบเล่าในทางพระรังก็เชื่อได้หมดเลยแต่พอนิทานของพุทธแกไม่เชื่อแต่เราไม่ได้นึกว่าเราไม่ได้สนใจประเด็นนั้นปัญหาสําคัญว่าเขาพูดได้หรือไม่ได้ไม่สำกัญาาประเด็น า, า, าพูดยังไงอะแล้วเขาทำยังไง มันเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมเป็นอเป็นธรรมะหรืออัธรรมอยู่ในตัวของของสัตว์เหล่านั้นนั้นการเคลื่อนไหวของครุดกับนาคในตอนแรกเป็นการเคลื่อนไหวของจิตที่ผูกเวรนะมันก็ออกมาเป็นรูปธรรมเมื่อก่อนก็เป็นเม็ดนะเกาะบากันได้นะจริงนั่นคือไม่รู้ว่าผู้เป็นเวรใจยังไม่กำหนดว่าเป็นเวรเป็นศัตรูกันก็เกาะบากันได้ยืนดูมารสบกันได้นั่นคือภาพจริงๆ ภาพของมนุษย์มนาเราในบันเนี้ยเป็นภาพจริงๆเลยแต่เราไม่ไปกําหนดว่าไอ้นี่เป็นศัตรูกับเราแล้วก็ร่วมมือกอดคอกันได้สบายอย่างที่เคยเล่าหลงตากัไปนอนกับผีทั้งคืนเพราใจ ย, ยังไม่รู้ว่าผีไปกําหนดว่าเออดีมีเพื่อนนอนดีดีมีเพื่อนนอนก็ว่ากลางม้งก็เลยนอนด้วยกันสบายสบา ย, บายอุ่นดีันศาลาพอ ร, รู้ว่าผีต่นนั้นเด้งดึงมุงโครมแล้วรุกโดดปุงลงศาลาเลยอ่ะนี่เพราะกําหนดใหม่เลยเอคนตาย กระจายข้างเราไปกําหนดเอาขนครั้งแรกเรากรอบปากันอยู่พอครั้งที่สองหันมามองอ้าวนี่ศัตรูพอศัตรูคนหนึ่งก็กลัววิ่งหนีคนหนึ่งก็ไล่นั่นคือลักษณะอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่แน่นะพอคนวินน่งหนีก็หยุดสู้ไคนล่จะกล้าไล่หรือเปล่าเอาข้า <laughs> okay, จริงบางทีไม่กล้าไล่นะหยุดถึงกัน <laughs> ลองดูเดี๋ย ว, ว่าเพราะ ง, งั้นไอวว้วิธีสมมติว่าเด็กมันจะต่อยกันเนี่ยบางทีต้องปล่อยมันต่อยแหละให้มันรู้รสชาติของความเจ็บปวดใช่ไหม เราไปห้ามมันไม่ได้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุกเขายิ่งห้ามมันยิ่งยุอย่างคนจะตีกันถ้าเราดึงแล้วมันกนดิ้นใหญ่ละถ้าเราปล่อยแกไม่ดิ้นเท่าไรล่ะมันแกน ก, ก็กลัวเจ็บเหมือนกันแต่แกถือว่าแกดิ้นไปได้เรามีคนจับแกไว้อ่ะงั้นปล่อยให้แกดิ้นไปเลยแล้วก็ผลท้ายก็ไม่เท่าไหร่ทีนี้นี่คือลักษณะของกิเลสที่มันออกเป็นพฤติกรรมท่านทั้งท่านทั้งหลายอย่าลืมนะฮะว่าชาดกนั้นคือเป็นการสะท้อนกิเลสที่เป็นรูปธรรม สัจธรรมะที่เป็นรูปธรรมออกไปคือมันเป็นพฤติกรรมสําเร็จแล้วให้ผลเสร็จแล้วส่วนอธิบายธรรมะเสตติสมัมมาจัญยะหิริโอตปะคันติโส ร, รจานั้นคือพูดถึงแนวทามที่ยังไม่เข้าสู่พฤติกรรมยังไม่เข้าสู่พฤติกรรมเพราะงั้นถ้าเราต้องการว่าเห็นเห็นพฤติกรรมของคันติของโส ร, รจ่ของวิริยะมันเป็นยังไงก็ลงมาปฏิบัติแต่ชาดกนั้นเขาปฏิบัติให้ดูแล้วเรียบร้อยแล้วมีเยอะเลยธรรมะนับเยอะเลยนี้ ต่อไปก็คือเมื่อเมื่อผูกเว็นควายหนึ่งก็ไล่ควายหนึ่งก็หนีการหนีก็ต้องหนีที่จะหาที่พึ่งให้หลุดพ้นจากอันตรายและในที่สุดแกก็ต้องหาวิธีซิกแซกนะฮะก็ปลอมตัวแกก็มีลูกเล่นได้เยอะเหมือนกันปลอมตัวแต้ปลอมตัวนี่อย่าลืมวาครุฑมันก็หนึ่งเหมือนกันมันก็รู้นะฮะถ้าปลอมตัวเฉยเฉยไปหลบยุทไหนมันก็รู้ต้องปลอมตัวแล้วก็มีที่พึ่งด้วยก็เข้าหาพระคือข้าวหาฤาษีนักบวชที่นี้เรามองดูถึงว่าจิตสันดานของคน ไอ้ครุฑตัวนี้ดีมากนะดีกว่าคนสมัยนี้เยอะคนบางพวกนะไม่ยากคนกคืออย่างอย่างน้อยนะฮะแม้มีศัตรูอยู่ตรงนั้นแต่ว่าอยู่กับพระอยู่กับฤษีแล้วเรามองดูสมัยนี้ก็นแล้วกั น, นะะมองดูสมัยนี้ก็สมัยพนารายเอาเอาง่ายๆอย่างเงี้ยประวัติศาสเราสมัยพนารายพนารายตอนคุณหลวงรศรศักิ์กับพระเพรราชาจะ ล้อมไว้นะฮะ ก, ก็เรียกว่าปฏิวัติ ย, ยึดอำนาจรัรฐประหารบรรดาท่านก็ต้องหาวิธีเท่าว า, วายอาราชวังของพระองค์เป็นวัดเป็นวิสุงคามสีมานิมน์พระเข้าไปพระนี่คุณหลวงสศักดิ์พระเพราชาไม่กล้าแย้มมาไปไปถึงต้องกบวดบวดเอาข้าราชบริพารทั้งหมดเพื่อให้รอดจากราชภัยบวดแล้วก็นากลับวัดทหารก็ยืนมองตาแป๊ ไม่ทําอะไรพระพระเข้าไปพระออกมาต้องออกมามากผิดปกติก็จังพระแล้วครับนี่คือคนสมัยก่อนว่าถ้าเป็นพระแล้วเนี่ยอะไรนะไม่เห็นแก่คนคกน็เห็นแก่พระเหลืองนยไม่เห็นแก่พระก็เห็นแก่พระเหลืองไม่เห็นแก่พระก็เห็นแก่พระเหลืองมันมีความสํานึกมันเมันมีน ม, น ม, ม, น ม, ม, ม, มนโมนธรรมความรุนแรงวิ่งมาต้องการจะฆ่าให้ตายแต่เห็นพระเหลือง เห็นผ้าคากรองใช่ไหมนะั้นไม่ใช่ผ้าเหลืองนะฮะของของท่านฤาษีเป็นผ้าคากรองแต่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของนักบวชเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของผู้ที่เสงบระงับเพราะงั้นเอ่อยังไงยังไงมันก็นึกถึงฤาษีไว้ไม่กล้าไปทําอะไรให้กระทบกระทั่งฤาษีคนสมัยก่อนก็เหมือนกันไม่กล้ากระทําอะไรให้ไปกระทบกระทั่งพระวัดสมัยก่อนจึงเป็นอาณาจักรนะฮะ ระวัดเรามีมีเขาเรียกอาญาวัดฮนะสมัยก่อน ท, ที่จริงสมัยนี้เราก็ทําได้นะพระเป็นเจ้าพนัก ง, งานตามกฎหมายลักษณะอาญาจับคนได้ฮนะแต่พอดีมันไม่มีอาวุธจับไปจําต่อยเอาไปยุ่งนะคือสมัยก่อนมันพอจับกันได้นะคือคนมันมันไม่เฮี้ยมเกรียมมากเกินไปแต่เห็นพระยังไงมันก็ยอมให้แต่สมัยนี้เขาไม่ยอมจีบก็ฟันคอพระซะเลย เราจะเห็นถึงจิตใจยเยี่ยมเกรียมเรามามาเทียบกับสมัยพุทธกาลนะแม่ก่อนพุทธกาลในนี่ยเรื่องนี้เรื่องนี้ก่อนพุทธกาลว่สัตว์ในราชาสก่อนพุทธกาลยังดีกว่าคนทเท่าไหร่นีย้ยังรู้จักเคารพยำเกรงยังรู้จักเคารพยำเกรงแม้แต่ผ้าคากรองของฤษีครุฑแกก็ไม่ทําอะไรในลักษณะที่รุนแรงนั่นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างหนึ่งว่าธรรมะคุณธรรมมโนธรรมความสํานึกที่มีอยู่ภายในใจคนเนี่ย เมื่อถึงคราววิกฤตการทางอารมณ์เกิดขึ้นจะต้องขึ้นมาช่วยได้จะต้องมีไว้แล้วให้ขึ้นมาช่วยได้ถ้าตรงนั้นแกไม่มีสติไม่มีความระลึกมากพอนะฮะแกก็ทําอะไรแรงไปในสุดแกก็กลายเป็นบาปอย่างดีก็แค่ค่ า, านาคได้ตัวเดียวแต่นั้นเองนะฮะแต่ว่าก็เป็นบาปไปประทุษร้ายฤๅษีถึงฤๅษีนั้นก็ท่านอาจจะได้ฌานก็ได้นะฮะถ้าฤๅษีได้ฌานแล้วยิ่งยุ่งกันใหญ่เลยเพราะว่า การทำร้ายคนเนี่ยคนที่มีคุณธรรมสูงเท่าไรเราบาปเราจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะฮะบาปจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบาปสูงสุดนั้นคือคนที่มีคุณธรรมสูงอย่างน้อยสําหรับเราพ่อแม่ท่านจะอ่านเจเลตเปปะสำหรับคนอื่นช่างท่า น, นนะน่แต่ว่าสำหรับเรานั้นท่านคือพระอราหันต์เป็นคุณธรรมสูงสุดเป็นอาภิปุชนียบุคคลสูงสุดของโลกไปแต่ต้องก็เป็นบาปพระอราหันต์พระพุทธเจ้าเห็นนะฮะ นี่คือคือคื อ, คอถ้าไปแตะท่านเหล่านี้แล้วบาศสูงสุดเพราะคุณธรรมท่านสูงสุดถ้าหากว่าจะมองดูสังคมง่ายๆเลยกันฮะสังคมธรรมดาสามัญเนี่ยสังคมธรรมดารรมสา ม, รรมัญข่าวเมื่อเมื่อเมื่อไม่กี่วันท่านทาน่ทานนึกออกนะฮะเราจะเห็นว่าคนฝ่ายคนสําคัญฝ่ายนิติบัญญัติถูกเพื่อนต่อยถูกหรือไม่ถูกไม่รู้นะฮะจับปับ๊บจะตัดสินปุ๊บเลยเห็นไหมคือตําแหน่งบรรหญ่มันก็เป็นตัวอย่างพอๆกันฮะ ทําให้การเคลื่อนไหวทุกอย่างแรงหมดเลยที่จะจัดการให้ได้แต่ลองนายกนายขอโด و เนี่ยไปเจาะรถยังไม่ได้เลยไปขโมยวิทยุโยมังกรนายโดนขโมยวิทยุในรถเราไม่มีแนละ้วหาไม่เจอเพราะอะไรเพราะว่าในความรู้สึกของเขานั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นั้นก็มองออกมาในรูปธรรมแต่ส่วนในานามธรรมนั้นหมายความว่าถ้าคนนั้นมีกุญแจเปล่าก็มากทันธครุฑก็มีความสํานึกดี แม้แต่สัตว์ดิบสานก็มีน่าลักษณาอย่างเนี้ยนะแก่ไล่าลามาเนี่ยเอามายัางยังนึกถึงไอ้ไอ้เนี้ยคือความสำนึกส่วนลึกของใจนที่มันมีความผูกพันอยู่กับคนกับคนใดคนหนึ่งเนี่ยถึงแม้จะวิปริตวิการไปยังไงก็ตามแต่จะมีการยกเว้นให้คนนั้นเอามามีประสบะการณ์ด้วยตัวเองนะฮะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง มาก็เคารพนับถือท่านมากนะฮะต่อมาท่านวิกลจริตวิกลจริตตอนหน้ามายังไม่บวชนะะอานละวาดไล่ตีคนตีคนเอาวิ่งไล่มามาเหนื่อยขี้เกียจวิ่งเกียจวงมัยืนหันหน้ามองตาเงื่อไม้เต็มเต็มเต็มแขนเลยถ้าตีแล้วเรารับรองไอหัวแตกแนะ่อามาก็มองตามองตาด้วยความรู้สึก สลดใจเคารพนับถือท่านนะฮะเสียดายท่านที่ท่านมาเป็นอย่างนี้นะยังเงื้อเต็มที่นะคนบ้ากําลังคลั่งเลยนะแล้วก็วางไม้นะโยนปักงองมาหน่อยแล้วก็เดินกลับใช่นี่คือแสดงว่าไอคา้ไอความไอ้ความเมตตาสงสารเราที่ท่านเคยมีตอนเป็นเด็กแล้วก็ใจเราไม่ประทุษร้ายต่อท่านอนะระวังดีต่อท่านนะ่ะแต่ก็ไม่กล้าทำเลย วิ่งกันเหนื่อยนะเพื่อนก็ตกครูตกว่าวิ่งกันเป็นกระจายคนละทิศละทางเลยเกิดสนุกอะไรก็มาม า, มาไล่กันมามาพาวิ่งมาหน่อยมันก็เหนื่อยนะ่ะยขี้เกียจวิ่งก็เลยก็หันกลับไปสู้เลยก็เม็ดไม่เม็ดไม่ได้ทําอะไรนะฮะมือไม้ไม่ได้ถืออะไรเลยแต่ยืนมองยืนมองท่านแต่ใจเราไม่ได้คิดประทุษร้ายท่านนะนั่นต้องทิ้งไม้ทิ้งไว้ได้นะวิกฤตการณ์ทางอารมณ์อย่างน้อยก็ยกเว้นไว้ให้คนหนึ่ง ยกเว้นไว้คนหนึ่งแต่ถ้าคนอื่นท่านตีทุกคนนะามาไม่ไ ม, ไม่ไม่เตียนี่นี่คือจิตที่มั น, ม, นมันสามารถคือความสำนึกเราที่สามารถสลายได้สลายอีกใครหนึ่งไปได้อานุภาพของเมตตาอะไรตัวไรนี่ฮะที ท, ทีมันก็แก้ปัญหาต่างๆได้ท่านฤาษีเองก็เหมือนกันท่านก็มีเมตตาเมตข้าวของท่านพราะท่านเจริญฌานอยู่แล้วนะฮะจิตของท่านก็เรียกว่ามีประกายมีรังสีที่เป็นภูมิคุ้มครองจิตของท่าน เมื่อคนเข้ามาในรังสีของเมตตานั้นก็คุ้มครองคนนั้นตามไปด้วยจิตนก็อ่อนโยนรองในสุดครุฑก็ไม่ทําอันตรายทีนี้คนหนึ่งนั้นสํานึกอันตราย น, น, านะสำนึกขุนนาคนะฮะสำนึกขุนรอดพ้นจากอันตรายครุฑเองก็มีความคเคารพย่ามเกรงแตแรกก็มีเชื้ออยู่ทั้งคู่นะมีเชื่ออยู่ทั้งคู่ที่จะยอมรับนับถือท่านฤาษีพรานฤาษีก็ได้โอกาส ที่จะให้ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกันจากความเป็นศัตรูซึ่งไล่กําลังจะฆ่ากันให้กลายเป็นมิตรกันไดนะ้แบบเดียวที่ที่พระพุทธเจ้าทําเพราะงั้นวิธีเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพื้นฐานเดียวกันพนะระพุทธเจ้านั้นส่งเอ่อกรุณาเตลือศีใช้เมตตาเพราะว่าฤาษีกรุณาก็ไม่แข็งนะฮะแต่ของพระพุทธเจ้าในกรุณาของพระองค์สมบูรณ์ผลก็ออกมาในลักษณนะนั้น ทีนี้ในในแง่ของตัวอย่างที่เราจะนำไปใช้นะฮะเราจะจะพบว่าการแก้ปัญหานั้นบางครั้งบางคราวเนี่เราต้องหลบตัวปัญหานั้นนะฮะมันต้องอ้อมเข้ามาอ้อมคล้องเข้ามาคือตะล่อมเข้ามาจากข้างนอกอย่าไปโจมตีจุดของปัญหานั้นกด็ดขาในบางกรณีนะฮะถ้าในกรณีที่มั่นใจในอะไรเงื่อนไขต่างๆก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่บางการณีต้องอ้อมค้อมมาแล้วเป้านั้นมีเป้าประสงค์อยู่ที่การแก้ปัญหาอย่างการที่เราจะดึงคนเข้ามาหาธรรมะเนี่ยออก็ปัญหาว่าใครล่ะถ้าคนบางคนนั้นอาจจะพูดธรรมะที่ลึกซึ้งแต่บางคนเราต้องเล่าในทงนิทานไปนะฮะบางคนก็สนุกสนานเห่ห่าไปเรื่อยๆก็่ว่าเป้าเราก็ต้องการจะค่อยๆดึงเข้ามา เป็นวิธีที่ช้านิดหน่อยช้านิดหน่อยแต่ก็มั่นคงนะฮะเป็นความเจริญเติบโตอย่างคล้ า, ายธรรมชาติของต้นไม้ของคนของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยดังนั้นการทำงานของรพระพุทธเจ้าเราได้เป็นแบบในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราต้องพูดเรื่องอื่นมาเลยพูดเรื่องอื่นมาแล้วมันตะล่อมก็าหาปัญหาเอง แล้วค่อยๆกัดกล่อนไอ้ความคิดความฝังใจความปักใจซึ่งเราไม่จาเป็นจะต้องพูดนะฮะให้มันเกิดขึ้นมาเองเราให้ข้อมูลต่างๆเข้าไปและข้อมูลหนั้นจะเข้าไปสลายความคิดดั้งเดิมเองซึ่งเมื่อเขาคิดได้เองนะฮะนั่นคือคือจุดที่ได้ผลที่สุดการบอกกล่าวเป็นคนอื่นนั้นเป็นการชี้ทางให้เท่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งฮนะเราเป็นผู้บอกให้เท่านั้น แต่การปฏิบัติให้หลุดพ้นจากมานบวงมารเป็นเรื่องที่เจอทั้งหลายทําเองทําเองคือถ้าเราไม่ยอมไม่ไม่สำนึกด้วยใจเราเองเราไม่สํานึกด้วยใจของเราเองการแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไม่สามารถจะแก้ได้แต่พระพุทธเจ้ า, าสร้างสํานึกถาวรนะฮะสร้างสํานึกถาวรฤศีนั้นไม่ใช่สานึกที่ถาวรแต่ก็มั่นคงพอสมควรส่วนพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องแน่นนอนเพราะให้เป็นพระโสดาบันหมดทั้งคู่ นี่ก็เป็นอุบายโยิธีมีนัยยะหลากหลายเยอะแยะนะฮะสามารถที่จะหยิบเอาแต่ละจุดของเรื่องราวเหล่านั้นความเคลื่อนไหวต่างๆทั้งที่ทททเป็นรูปธรรมและทุติี์ที่เป็นนามธรรมมาเป็นแนวในการปรฏิบับติได้วันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบูรณาธรรมมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านเธอ